ปัจยานุโลมสองสังขยาวาระคณะนัเหตุมูลกะในเจ็ดสิบสาเหตุปัจใจมีเก้าวาระอารามะนัปปัจใจมีสามวาระอธิปติปัจจใจมีเก้าวาระอันันตรปัจจัยมีสามวาระสมนันตรปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจใจมีเก้าวาระ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 ชานะปัจจัยมีก้าวาระมัคคปัจจัยมีก้าวาระสำปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีก้าวาระอธิปัจจัยมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระวิคตะปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีก้าวาระทุกกะในเจ็ดสิบสี่ อารามณะปัจจัยกับเหตุปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีก้าวาระอนันตระปัจจัยมีสามวาระสมนันตระปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีก้าวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระ ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอาศัยวณัปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยกระเพรตุปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีเก้าวาระอินทริยปัจจัยมีเก้าวาระชานปัจจัยมีเก้าวาระมัคคปัจจัยมีเก้าวาระสัมประยุตตปัจจัยมีสามวาระ วิปยุตตปัจัยมีเก้าวาระ right. อธิปัจัจมีเก้าวาระนัตถิปัจัยมีสามวาระวิคตปัจัยมีสามวาระอวิคตาปัจัยมีเก้าวาระติดก on ันในเจหอธิปฏิป <chool> ัจัยกับเหตุปัจัยและอารมณปัจัยมีสามวาระอนันตระปัจัยละถึงมีสามวาระ สมณันตระ ป, ระปัจจัยมีสามวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปานิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระอสัยวะนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ มาหารปัจจัยมีสามวาระอินทริยปัจจัยมีสามวาระชาณะปัจจัยกเภรตุปัจจัยและอารมณปัจจัยมีสามวาระมัคคปั จ, จัยละถึงมีสามวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีสามวาระนัธิปัจจัยมีสามวาระ วิคตาปัจจัยมีสามวาระอวิคตปัจจัยมีสามวาระทวาทศกัในเจ็ดหกกามปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารมณปัจจัยอธิปติปัจจัยอนันตรปัจจัยสมนันตรปัจจัยสหชาตปัจจัยอัญญมัญญปัจจัยนิสยปัจจัยอุปานิสยปัจจัยปุเรชาตปัจจัย และอาศัยวณัปจัยมีสามวาระอาหารปัจจัยกับละถึงมีสามวาระอินทริยปัจจัยกับมีสามวาระฌานาปจจัยกับมีสามวาระมัคคปัจจัยกับมีสามวาระสัมปยุตตะปจจัยกับมีสามวาระวิปยุตตะปจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีสามวาระ นาทีปัจจัยกับมีสามวาระวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระอวิคตะปัจจัยกับมีสามวาระภาวีชะกะในเจ็สบเจ็ดอวิคตะปัจจัยกับเพตุปัจจัยอารมณปัจจัยละถึงอาเซวนปัจจัยกรรมปัจจัยอหราปัจจัยอินทริยปัจจัยชาณปัจจัยมัคปัจจัย สามปัจจุตปัจจัยวิปยจจุตปัจจัยอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยและวิคติปัจจัยมีสวาระเตระกในเจ็ดอาหารปัจจัยกระเพรุปัจจัยอารมณปัจจัยละถึงปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยและวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ ชานะปัจจัยกับมีหนึ่งว bon. าระมัคราปัจจัยกับมีหนึง่งวาระสำปรยุตตปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีหนึง่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัถิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิขตะปัจจัยกับมีหนึง่งวาระอวิขตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระภาวิชกะใน เจอาวิคตาปัจจัยกับเหตุปัจจัยอารามณปัจจัยละถึงปุเรชาตปัจจัยกรรมปัจจัยวิปากปัจจัยอาหาระปัจจัยอินทริยปัจจัยชานะปัจจัยมรรคะปัจจัยสัมปยุตตปัจจัยวิปยุตตะปัจจัยอธิปัจจัยนัตถิปัจจัยและวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระ กานับวาระมีเหตุปัจจัยเป็นมูลจบทุกขไนมีอารมณะปัจจัยเป็นต้นปัจจัยทั้งปวงกับปัจจัยที่ตั้งอยู่ในอารมณะปัจจัยมีสามวาระเท่านั้น8ปสิ 80. เหตุปัจจัยกับอารมณะปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสามวาระอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ เทตุป bon ัจจ ja ัยกับอัติปฏิปัจใจมีเก้าวาระอารมณปัจัยละถึงมีสามวาระอวิคตะปัจจใยมีเก้าวาระเทตุปัจจัยกับอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยมีสามวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีสามวาระเทตุปัจจัยกับสหชาตะปัจจใยมีเก้าวาระ เหตุปัจจัยกับอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับนิสยปัจจัยมีเก้าวาระเหตุปัจจัยกับอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับปูเรชาตะปัจจัยมีสามวาระอเซวณทุกก์ในแปดสิเอดเหตุปัจจัยกับอเซวณปัจจัยมีสามวาระปรมณปัจจัย ละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนะะันตรปัจจัยมีสามวาระสมณานันตรปัจจัยมีสา ah มวาระสหชาตปัจจัยมีสามวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติป <certain cognitive> ัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสามวาระ อาหารปัจจัยมีสามวาระอินทรียปัจจัยมีสามวาระชาณปัจจัยมีสามวาระมรรคปัจจัยมีสามวาระสมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับอสวะนปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยละถึงมีสามวาระนติปัจจัยมีสามวาระฤกษะตะปัจจัยมีสามวาระ อวิคตะปัจใจมีสามวาระปัจใจที่มีอาศิวนปัจใจเป็นมูลไม่มีวิปากปัจใจกรรมทุกขในแปด2ิบสองเหตุปัจใจกับกรรมปั จ, จัยมีเก้าวาระวิปากทุกในแปดสบสามเหตุปัจใจกับวิปากปั จ, จัยมีหนึ่งวาระอราเมณะปัจใจละถึงมีหนึ่งวาระ อธิปติปัจจัย ngày, ngày, ngày, Kimberly, มีหนึ่งวาระอนันตรปัจจัยมีหนึ่งวาระสมนันตระปัจจัยมีหนึ่งวาระสหชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระอัญญมัญญปัจจัยมีหนึ่งวาระนิสยป vale, ัจจัยมีหน <IL> ึ่งวาระอุปนิสยปัจจัยมีหนึ่งวาระปุเรชาตปัจจัยมีหนึ่งวาระกรรมปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระ อินทรียปัจจัยมีหนึ่งวาระชานะปัจจัยมีหนึ่งวาระมัคราปัจจ <ash> ัย <prescribed> ม tamam ีหนึ่งวาระสัมปยุตตปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยละถึงมีหนึ่งวาระนัธิปัจจัยมีหนึ่งวาระวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอวิขตะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ปัจจัยที่มีวิปากะปัจจัยเป็นมูลไม่มีอาศัยวณหปัจจัยทุกขนในมีอาหารปัจจัยเป็นต้นแปสิบสีเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมีก้าวาระเหตุปัจจัยกับอินทริยปัจจัยมีก้าวาระเหตุปัจจัยกับชานะปัจจัยมีก้าวาระเหตุปัจจัยกับมรรคปัจจัยมีก้าวาระ เหตุปัจจัยกับสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับวิปยุตตปัจจัยมีเก้าวาระเหตุปัจจัยกับอัติปัจจัยมีเก้าวาระเหตุปัจจัยกับนัตถปัจจัยมีสามวาระเหตุปัจจัยกับวิคตตปัจจัยมีสามวาระอวิคตะทุกขในแปดสิห้าเหตุปัจจัยกับอวิคตะปัจจัยมีเก้าวาระ อารมณะปัจจัยละถึงมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีก้าวาระนัตถิปัจจัยมีสามวาระภิกะตะปัจจัยมีสามวาระผู้สาธยายพึงทำปัจจัยแต่ละอย่างให้เป็นมูลแล้วนับดูเถิดอนุโลมจบ ปัจจนียะหนึ่งวิพังควาระปัจจะนั่นเหตุปัจใจแปดสิบหสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนเหตุปัจจัยได้แก่โมหะที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจักอาศัยขันธ์ที่สหรโคด้วยวิจิกิจฉาและที่สหรโคด้วยอุทจักเกิด ok ขึ้น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 ในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตุุกะขันสามและกะตัตรารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอัพยากตะวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งและกะตัตรารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกะตัตรารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นหาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูธรูปหนึ่งเกิดขึ้น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 อาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกระตักรูปที่เป็นอุปาทัยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนอารมณปัจจัยแปสิบเจดสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนอารมณปัจจัยได้แก่ จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนัอรามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะนัอรามณปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันที่เป็นอัพยกตะวิบากและที่เป็นอัพยกตะกริยาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกตั้ตารูปอาศัยขันที่เป็นอัพยากตะวิบากเกิดขึ้นหาทะยวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นมหาภูตรูปสาอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้น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 สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะน้อธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะหน้อธิปติปัจจัยได้แก่ขันธ์สามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นก well, ุศลเกิดขึ้นขันธ์หนึ่งและจิตตสมุทฐานรูป อาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐา น, นารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลเ ก, 3, าา 1, เ, ก 3, เกิดขึ้นเพราะณอธิปติปัจจัยได้แก่ขัน 2, าสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิ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 จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นปุสสนและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะหนอธิปติปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอปุสลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นหนอนันตระปัจจัยและณนสมนันตปรปัจจัย89 สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณอนันตรปัจจัยและณสมนันตรปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นณอนันตรปัจจัยและณสมนันตรปัจจัยเหมือนกับณอา ร, รมณปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัย๙๐สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นก e. ุศลเกิดขึ้นเพราะนอัญญมัญญปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป UM ็นอภิญากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญกริชเกิดขึ้นเพราะนอัญญามัญญปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอภิญกริชเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิเกิดขึ้น เพราะณอัญญมัญญะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานนรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอพยกตะวิบากและที่เป็นอัพยกตะกริยาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะกัตตารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอพยกตะวิบากเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปที่เป็นภายนอกเกิดขึ้น อุปาไทยรูปอาศัยมหาภูตรูปที่มีอาหารเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นอุปาไทยรูปอาศัยมหาภูตรูปที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นสำหรับเราอสัญญาสัตยพรมประตตารูปที่เป็นอุปาไทยรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิตเกิดขึ้นเพราะนอัญญมัญญปัจจใจได้แก่ จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะนอัญญามัญ ญ, ญปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐา น, านารูปอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนอุ ป, ปานิสยปัจจัย91สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤต อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะหนอุปนิสยปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานนรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นหนอุปนิสยปัจจัยเหมือนกับนอารมณปัจจัยหนปูเรชาตปัจจัย๙๒สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะหนปุเรชาตปัจจัยได้แก่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 เพราะนบุเรชาตปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขัน 3, าสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศนเกิดขึ้นเพราะนบุเรช า, า, า, า, า, ปาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานารูปอาศัยขันที่เป็นอกุศนเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตอาศั ย, ย ส, สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะนภุเรชาตะปัจจัยได้แก่ในอรูปาวจรภูมิขันสามอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยากตะวิบากและที่เป็นอัพยากตะกริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันอ ส, สนองอาศัยขันสองเกิดขึ้นจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอัพยากตะวิบาก และที่เป็นอพยกตกิริยาเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะขันสามและกตัตตารูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอพยากะตะวิบากเกิดขึ้นขันหนึ่งและกระตะตารูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและกระตะตารูปอาศัยขันสองเกิดขึ้น 2, หาทายวัตถุอาศัยขันเกิดขึ้นขันอาศัยหาทายวัตถุเกิดขึ้นมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้น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 มหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้นมหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะณบุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมมุฐานรูป อาศัยขันที่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพยกฤิตเกิดขึ้นเพราะณปุเรชาตปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นนปัจฉาชาตปัจจัยและณอาศัยวนาปัจจัย๙๓สภาวธรรมที่เป็นกุศล อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะหนปัจฉาชาตะปัจจัยได้แก่ละถึงอาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะหนอาศัยวนปัจจัยได้แก่อาศัยขันหนึ่งที่เป็นกุศลหนปัจฉาชาตะปัจจัยและหนอาศัยวนปัจจัยเหมือนกับหนอธิปติปัจใจหน้กรรมปัจจัย เกสภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนักกรรมปัจจัยได้แก <The> ่เจตนาที่เป็นกุศลอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นเพราะนกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอกุศลอาศัยขันธ์ที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤืเกิดขึ้นเพราะนักรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นอภยากตกริยาอาศัยขันที่เป็นอภยากตกริยาเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตตุเป็นสมุทฐานเกิดขึ้นมหาภูตรูปหนึ่งอาศัยมหาภูตรูปสามเกิดขึ้น มหาภูตรูปสองอาศัยมหาภูตรูปสองเกิดขึ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณวิปากะปัจจัย๙๕สภาวธรรมที่เป็นกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะนวิปากะปัจจัยได้แก่อาศัยขันธ์หนึ่งที่เป็นกุศลมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลเกิดขึ้น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 มหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นละถึงจิตตสมุทฐานนรูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็น對對 ส, สมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญยสัตตพรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตัตรารูปที่เป็นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤษเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานรูปอาศัยขันธ์ท yes. ok ี่เป็นกุศลและอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุกลและที่เป네็นอัพยากฤษเกิดขึ้นเพราะนวิปากับปัจจัยได้แก่จิตตสมุฐานนรูป อาศัยขันที่เป็นอกุศลและอาศัยมหาปูตรูปเกิดขึ้นณอาหารปัจจัย้าสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิเกิดขึ้นเพราะณอาหารปัจใจได้แก่และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอาศัญสัตตพรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตัตรูปที่เป็นอุปาทายรูป อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นหน้าอินทรียปัจใจเก้สาสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้เ น, เ, น screening! เพราะหน้าอินทริยปัจจัยได้แก่และถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฐานมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งที่มีอุตตุเป็นสมุฐานเกิดขึ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้น สำหรับเหล่าอาสัญญาสัตยพรมรูประชีวิตินสีอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นณชาณปัจจัย๙๘สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตเกิดขึ้นเพราะณชาณปัจจัยได้แก่ขันสามอาศัยขันหนึ่งที่สหรคตรด้วยปัญจวิญญาณเกิดขึ้นขันหนึ่งอาศัยขันสามเกิดขึ้น ขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทฐานที่มีอุตุเป็นสมุทฐานสำหรับเราอสัญญาสัตย์พรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตดตารูปที่เป็นอุปาไทยรูปอาศัยมหาภูตารูปเกิดขึ้นนิมัคราปัจจัย้าสภาวธรรมที่เป็นอภยกริ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤิเกิดขึ้นเพราะณมัคคัจจัยได้แก่ขันสามและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันหนึ่งที่เป็นอเหตุตุกะซึ่งเป็นอพยากตะวิบากและอภยากตะกริยาเกิดขึ้นขันหนึ่งและจิตตะสมุทฐานรูปอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองและจิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันสองเกิดขึ้นในปฏิสนธิขณะที่เป็นอเหตตุกะ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 อาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นาสัมปยุตตปัจใจหนึ่งร้อยสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะณสัมปยุตตปัจใจได้แก่จิตตสมุทฐานุรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นปัจใจนี้เหมือนกับนอารมณปัจใจาวิปยุตตปัจจร้อยหนึ่ง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 ขันหนึอาศัยขันสามเกิดขึ้นขันสองอาศัยขันสองเกิดขึ้นละถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุทานที่มีอุตุเป็นสมุทานสำหรับเราอสัญญสัตวพรมมหาภูตรูปสามอาศัยมหาภูตรูปหนึ่งเกิดขึ้นกระตัตารูปที่เป็นอุปาทายารูปอาศัยมหาภูตรูปเกิดขึ้นโนนติปั จ, จัยและโนวิคตาปัจัย รออ้อสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นเพราะโนนติปัจจัยเพราะโนวิคตะปัจจัยได้แก่จิตตสมุทฐานรูปอาศัยขันธ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นสองปัจจัยนี้เหมือนกับนอารมณปัจจัย